ยี่สิบสี่พระอัฏฐกาศีเถรีภิกษุนีผู้อุปสมบทด้วยทูตชาติสุดท้ายนางเกิดในตระกูลเศรษฐีมีทรัพย์มากในแคว้นกาสีเจริญวัยแล้วได้ตกอับเป็นหญิงแพทยยาประจำกรุงราชครื้เพราะผลของวจีทุจริตที่เคยด่าภิกษุผู้เป็นพระอรหันในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะ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 เราอนุญาตให้อุปสมบทแม้โดยทูตแสดงแล้วตอนวิธีอุปสมบทภิกษุณีครั้นได้อุปสมบทแล้วท่านเจริญวิปัสนาไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายครั้นบร ร, รลุพระอรหันต์แล้วพระเถรีได้กล่าวคาถาอุทานเหล่านี้ว่าชนชาวกาสีมีสวยประมาณเท่าใด สวยของเราก็มีประมาณเท่านั้นชาวนิคมกำหนดราคาแคว้นกาสีแล้วตั้งราคาเราไว้ครึ่งหนึ่งของราคาแคว้นกาสีภายหลังเราเบื่อนายในรูปเมื่อเบื่อนายจึงคลายกำหนัดเราอย่าพึงเล่นไปสู่ชาติสงสารอีกบ่อยๆวิชาสามเราทำให้แจ้งแล้วเราได้ปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว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 มีรูปร่างกายงดงามดุจนางเทพอับสอนด้วยผลจากการประพฤติพรมจันแต่ก็ต้องอยู่ในตำแหน่งหญิงขณิกาคือผู้ขายร่างเลี้ยงชีวิตของกรุงรัชครืเพราะผลบาปที่ด่าภิกษุณีนั้นต่อมาได้ฟังธรรมแล้วออกบทคาถานั้นมีอธิบายว่ารายได้ของพระราชาแคว้นกาสีเก็บสวยได้วันรับพัน แม้รายได้ของนางก็มีปริมาณวันละพันแต่เมื่อผู้ชายไม่สามารถจ่ายค่าตัวได้ถึงพันก็จ่ายให้ครึ่งหนึ่งคือห้าร้อยแล้วพานางไปรื่นรมได้เฉพาะตอนกลางวันบวดแล้วท่านพิจารณาเห็นด้วยวิปัสนาปัญญาว่ารูปร่างกายนี้ไม่เที่ยนแท้เป็นทุกข์ไม่สวยงามจริงจึงคลายกำนัดและถึงความหลุดพ้น